ความรู้สึกตัวนี้จะปรับให้เกิดความพอดีการคิดการพูดการทำเมอความรู้สึกตัวนี้ที่ไม่เคยพูดก็จะได้พูด ที่แกพูดมากๆก็จะไม่พูดละมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นสภาวะนีที่เชื่อว่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่รู้ธรรมะในวันเป็นเดือน6ขึ้นที่หามยามสามปีละกา เป็นวันพุทธท่านกนมองเห็นว่าเออทรรมเนี่ยละเอียดลึกซึ้งประณีตรู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยากคิดว่าจะไม่สอนไม่บอกแต่ว่าสามาดีพรมขรัตนาบอกว่าผู้เป็นบัณฑิต พิสัยบัณฑิตก็รู้ได้เหมือนกันเป็นลนักนณะของบัวพลน้ำเราได้ยินได้ฟังปิง้งหรือว่าคลิกต็ทีท่านก็นเลยใครเกรือนตบตวนถึงปฏิจจสมบาทเมื่อกี้เราก็สวดกัน ตัวรู้ทำให้ไปสู่สภาวะของพระนิพพานวิจาทําให้เกิดศรัทธาขึ้นมาเกิดปราโมทเรื่นเริงปฏิบัติแล้วเรื่นเริงกับการปฏิบัติธรรมไดอารมณ์ปฏิบัติปราโมททำให้เกิดปิติเกิดปัจจิเกิดสุขขึ้นมาวางสุข ก็เกิดนิพาพุทธิยานขึ้นมายานก ร, รมโคตรโคตรละยานแมวและโคตรพุทธิชนโอนสัญชาติใหม่เป็นสัญชาติของปาริยชนเกิดนิพพาขึ้นมาเกิดวิราคะขึ้นมาเกิดวิมุติขึ้นมามันก็พ้นได้พ้นได้ เห็นว่าอวิชชาต้อเกิดสังขารสังขารนึกเกิดวิญญาณวิญญาณนึกเกิดนางรูปนางรูปนึกเกิดสลายยตนะสลายยตนะทำใหเกิดผัจจายตนาตัญหาอวตานเกิดพบเกิดชาติชราบรมณะไหลไปเรื่อยๆจนเกิดทุกข์ในท้ายสุด ทุกโทมานั้นปายาสะรบทวนไปอ๋อเรื่องที่เราจะต้องสอนก็อยู่ตรงนี้แหละรู้ก็หลงนี่แหละสติฐานสูตรจึงถูกเรียบเรียงออกมาด้วยพระปัญญาของพระองค์ในชีนนำทางสว่างให้กับมนุษยชาติทั้งโลกสองพันกว่าปีหนึ่งวันนี้ มันจะเป็นกรรมจำแนกสัตว์ท้านจำแนกธาตุกรรมจำแนกสัตว์ผานไปหาพานบันดิตไปหาบันดิตผานพานพาไปหาปิดบันดิตบันดิตพาไปหาผลมันจำแนกไปแบบนั้นบางทีบันดิตมาในข้ามคนผานมีเหมือนกัน ที่ผ่านมากล้าของบัณฑิตก็มีเหมือนกั น, นเราก็เลยรู้รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกที่ตัวเรามันอยู่ในตัวเรานี่แหละทั้งผ่านทั้งบัณฑิตทั้งดีทั้งชั่ว ท, ทั้งบุญทั้งบาปทั้งถูกทั้งผิดเกิดที่กายวาจาใจของเราในยว่าจิตใจเนี่ มันทียิบเลยพบชาติของจิตมันแสดงถึงอาการต่างๆกฎของกรรมกฎของธรรมอยู่ที่การปรุงการแต่งอยู่ที่วิธีคิดทั้งหมดก็จึงมาเห็นกันทุกครั้งที่เรากลับมาหาฐานกายก็เพื่อที่จะได้เห็นความคิดมันมีรูปแบบการปฏิบัติที่ชี้ชัดแล้วก็ตรงๆไปลัดสั้นๆ จะทำเป็นหรือเปล่าตงนั้นต้องฝึกหัดเอาใครทำใครได้ตาดีได้ตาไรเสียตาสติตาปัญญาความรู้สึกตัวมันก็มีอยู่แล้วในชีวิตของเราทุกคนเราก็จึงหันกลับมาดูเราตาในเรามากับมาดูตัวเองสะท้อน เห็นอดีตของเราควรไม่ควรอย่างไรเห็นอนาคตของเราควรทําให้ควรทําอย่างไรต่อไปเห็นปัจจุบันนี้แต่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับโลกอย่างถูกต้องหันกลับมาที่กายที่ใจของเราเห็ น, นาการเป็นรูปธรรมนามธรรมเกี่ยวข้องกับโลกอย่างถูกต้องปกติเราเกี่ยวข้องกับตัวเองจะดูตัวเราทีไรก็ส่องกระจกดูสะท้อนดู ดูซ้ายตอนนี้เราเห็นตนกาดูขวาก็เห็นรอยย่นมันแก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่ลงดูไปมันก็ไม่ถึงมากกว่านิพานดูไปมันก็เห็นแต่ทั้งการที่สุดโทรมเสื่อโมโทรมทำาใท้อแท้ทำห้รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองมม่จะคิดจะพูดจะทำแต่พอเรามาดูข้างในมันมีพลัง พลังของสติสีนสมาธิปัญญามั่งข้างมันไม่ยากจนง้<ค> น, <ค>นเงินคนแคนโลเลมันเป็นปกติความรู้สึกตัวมันกลับมาหันมามันก็ปกติถ้าถ้าออกไปมันก็สุขกระทุกดูหนังฟังเพลง วัดเรานักลองกระสึกไปแล้วเมื่อวานลองเพลงให้ฟังสองเพลงจากแผ่นโปรโมตได้ล้วยว่าวันทำวัดมันไหจะเปิดให้พวกเราฟังสักวันฟังเพลงแดน mm hmm. อตรมเด็จธรรมารเจ้าก็บอกไว้ชัดจีเอาไว้ตรงที่ว่าเวลาเราร้องเพลงจิตมีค่าเราก็ร้องให้เลย จิตคนที่ร้องไห้เด็กที่ร้องไห้อะนะกับคนที่ร้องเพลงอนะจิตดวงเดียวกันแต่ถ้ามีสติก็ยอมใช้ได้แต่ถ้าไม่มีสติก็ไปมันก็เท่ากับทำให้โลกนี้นมันไม่ปกติไปทนที่เป็นพวกคนทันคนทันเป็นพวกเทพ คนทันลำพันนักดนตรีก็ใส่พระพิฆเนศพระพิฆเนศก็เป็นผู้ดูแลเป็นพวกเทพพวกที่อยู่ระนาของจิตที่มีสมาธิมีความสุขแต่ว่ามีค่าถ้าก็ร้องไห้นะเป็นสมาธิแบบนั้นแหละเวลาร้องไห้จิตจะจดจอ่อจะลดเยือ ร้องไห้สักห้านาทีคมีค่าเราก็ร้องเพลงหนาทีบางคนชอบร้องไห้คิดถึงเรื่องราวต่างๆมันตาซึมจิตปกติมันดีกว่ารู้สึกตัวแล้วก็รู้ทันรู้เท่าเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็เห็นมันปรับได้ปรับได้รู้สึกเวลาหัวล้อกกกักกักกก จิตมีค่าเท่ากับเด็กคนหนึ่งเจ้าเยอะกี่ปีก็ตามมือหัวเลาะลั่นแบบเผลอสติมีค่าเท่ากับเด็กตักดกนดีมันเป็นความบริสุทธิ์แต่ความบริสุทธิ์แบบเด็กๆมีค่าเท่ากับเด็กๆคนหนึ่งตัณฑ์ตัวอย่างนั้นเต็มลำทาตัวยืดๆ ย, ยักยักทำตัว เหมือนกับคอยขยับเคลื่อนไหวตามจังหวะหลายครั้งที่เราเคยเห็นร้านอาหารมีเพลงหรือว่าเวลานั่งรถนั่งลาดีว่าเวลาพระนั่งรถเนาะให้นั่งข้างหน้าติดกทีวีเลยหลังคนขับก็จะเปิด เราเก่ไปด้วยในรถเราเห็นคนขับบางีก็ขยับไม้ขยับมือขณะขับรถอย่างเงี้ยพาบังรูไป ม, มีสตินะกระเพาะขยับไปด้วยนะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เรามีสติอยู่เราก็รู้นะยิงพระเจ้าได้ชี้ไว้แล้วว่าการเคลื่อนไหวขยับ ร้องลำตัมเพลงนีเต้นลำมีค่าตวจิตวิปลาดตวจิตวิปลาดพอเราฝึกความรูร้สึกตัวเราเห็นโอ้มันมีอาการอย่างนั้นจริงจริงความคิดพาพูดความคิดพาทำจะทำดีมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับพวกดีวิสัยบัณฑิตไม่ดี ก็เก so so so ี่ยวข้องกับพวไม่ดีนิสัยอันด่าพานแต่บางทีมันก็เหนือชั้นว่านั้นอีกเหนือดีเหนือชื่อเหนือเห็นเหนือผลเหนือตรงเหนือผิดเหนือบุญเหนือบาปเราก็เลยเห็นลองเห็นรอยแต่ละก้าวแต่ละขณะที่เรารู้สึกตัวกลับมาเห็นตัวเองสัมผัสกับตัวเอง พิจารณาการต่างๆที่เป็นหัวข้อธรรมที่ไม่ใช่คำพูดนะจากตำรับตำราหรือว่าจากผู้อื่นแต่เห็นทำมาจากตัวเราจริงๆเพราะกายก็อยู่ทางนึงจิตก็อยู่ทางหนึงสติกาสัมผัสรู้ความรู้สึกขณะกายก็เรามานั่งเดินยืนนอนอุญบาตเป็นอุญบาตประภะ จิตของเรามันก็มีอาการเหมือนกันเคลื่อนไหวทั้งวันเหมือนกันเป็นจิต ป, ปะพระมีอาการต่างๆเกิดขึ้นมาเราเห็นเป็นความรู้สึกตัวอะไรเป็นการจัดระเบียบเป็นบริหารชีวิตของเราให้เกิดชีวิตชีวาขึ้นมาแจ่มชื่นผ่องใส ตือนรู้รู้เตือนเบิกบานขึ้นมาหนึ่งวันสองวันสามวันยังตั้งเดียวนี้เราก็ต้องมีฝีมือนะมีการเดินทางจิตใจของเราก็จากคนเป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็นเป็นพระก็ว่าไดา้มนุษย์มีขันธ์ห้าดูกายก็ต้องเห็นรูปอาการดูจิตดูใจก็ต้องเห็น นำมาทำต่างๆเมื่อก่อนเราไม่เคย ร, รู้ล้วก็หลงเขาก็มีอิทธิพลมีอำนาจคอบงมสั่งการแต่ตอนนี้เรากลับเป็นว่าเราเห็นอาการแล้วก็วางอยู่คืนคืนสลัดคืนอาการมีแต่ว่ามันไม่มีอิทธิพลไม่มีอำนาจสั่งงานสั่งการเราได้เจอคนที่โกรธ เราเราก็ไม่กลตอบมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นเรื่องของปัญญาแล้วเกี่ยวข้องกันเรารักษาเราเรารักษาเขาเราเห็นเราเราเห็นเขาเมือเรารู้เราก็ช่วยกันช่วยตรงๆบ้างช่วยอ้อมๆบ้างผู้รู้ใครควรแล้วตีเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ ก็เกิดการใกล้ควรภายใ น, ไไนโอ้เราก็เหมือนเขาเขาก็เหมือนเราตอนนี้เราเปลี่ยนไปแต่เขาเหมือนเราเมื่อก่อนมัก็เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เขามีความรู้สึกตัวเปิดปิรรมอยู่นั่งยกมือเคลื่อนไหวอยู่เดินโยกงอยู่เดียวเหมือนกันรอได้คอยได้เหมือนก็เป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับหักดำปลาด้วยกา มันมีการหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบลยก็ใจเลยบราณก็บอกว่าเวลามีอารมณ์โกรธเนี่ยให้นับก่อนนับในใจหนึ่งสองสามสี่ห้าเวลาก็จะช่วยนะเยียวยาได้ไม่อารมณ์อ่อนตัวลงสติปัญญามันทันกันมันมีกำลังแต่มันน้อยมก็ต้องให้อารมณ์มลดลงหน่อยถึงจะ พอฟัดพอเวียงสมศักดิ์ศรีกันถ้าเป็นนักมวยเป็นคู่โชคก็เอากันอยู่แต่ถ้ามีกำลังมากเกินก็ต้องหลบห ล, ลบลีกหลีกรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางไปก่อนหนีช้างสิบวามหนีคนบ้าสิบเส้นโบราณทันว่าก็มีชั้นเชิงแบบนั้นนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็มีอารมณ์ปฏิบัติแล้วก็ ต้องขอบคุณอารมณ์ทั้งหมดหออพูงมาแล้วก็หักหออเปลี่ยนเป็นดอกไม้บูชาบางทีทิมแทงกันด้วยวาจาห อ, อกทิมห อ, อกข้างแค่แล้ว เ, เปลี่ยนข้างในของเราปกติปกติเหมือนสมัยที่องค์สมเด็จสมาลเจ้า เ, เจอของทัพของมาน ลูกสาวพญามานนางกิเลสมันมีแม่แม่ใหญ่พญามารือความไม่รู้อวิชชาความคิดกันปรุงกันแต่งตันหาอวทานนางราคะนางอารตีมารวชนเผชิญหน้าพะระเจ้าก็ดูตั้งมันโดยสมาธิไม่หวั่นไหวจนเห็นความจริง พวกมานั้งหลายก็ะพายแพ้ตัวเองไปเร็วแพ้พไผ่สูดแล้วทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนโกรธได้ก็หายได้ความโกรธในตัวใหญ่สุดนีแต่ว่ามาเร็วไปเร็วไม่ยิ่งใหญ่อะไรมีทุกคนความเป็นสัญชาตียานแห่งการป้องกันตัว มนุษย์ตัวีรักตัวกลัวตายเมื่อมีใครมาทำอะไรรู้สึกว่าหวั่นไหวโกรธขึ้นมาป้องกันตัวอเองไม่นนีก็สู้มันเป็นพลังงานแบบนั้น่การสู้คือใช้อารมณ์โทสะใช้เดชะใช้เตโชใช้ไฟนะบางทีก็มีสติแต่บางทีก็ไม่มีสติบางทีจ่ายดอกเบี้ยก็ามากเกินไป ก็ว่าเราคำเดียวงเราเอาลูกปืนแจกไปเลยถึงขั้นฆ่าก็ในความคิดของเราแต่ว่าจริงๆยังทำไม่ได้บางทียวถึงขั้นสาบแช่งถึงขั้นได้เรียกว่าไม่เผาผีกันในใจแต่จริงๆแล้วเราไม่สามารถทำางนั้นได้หรอกเพราะว่าทุกๆชีวิตก็คือหนึ่งเดียวกันธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลม การดำรงชีวิตยอยู่ในโลกใบนี้ก็เหมือนกับการเกื้อกูลกันเป็นห่วงลูกโซ่ของชีวิตขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเราเห็นอย่างนั้นพอมีสิ่งนี้ยังมีสิ่งนี้พอมีสิ่งนี้ยังมีสิ่งนี้เราก็เลยเห็นเหตุเหตุก็เกิดที่เราไม่รู้สึกตัวเราก็เลยปั้นปั่นปั่นน้ําเป็นตัว แล้วก็ปั่นที่นำสร้างกระแสอย่างกรทังสังคมยุ่งเหยงิงสับสนเราเห็นเกิดจากความไม่รู้เพราะไม่รู้ทางนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวทุกอย่างลาพรื้นนะจบที่เราจบที่เราไม่มีไปเพราะเราโหสิกรรมเพราะเรามันเลยเป็นการคิดการพูดการทำการแสดงออกแบบรู้ซื่ อ, อนะไม่ใช่ไม่รู้รูนะ้มันมีระนาบว่า รู้ว่าคำพูดจิตต่างๆที่แสดงกันออกมานะมันกระทบกันยังไงมันสอดคล้องกั น, ก น, กนไปถึงมันขนาดยังไงมันถอดรหัสได้อันนี้เป็นละนาของอเรียกว่าก็เรียกว่าเจตริยญาณมันมีอยู่ภาษาเป็นอาการเพ่งเผาพิสูจน์จากความเป็นปกติกับความไม่ปกตินหลงไปคิดอย่างนี้ ซีซ้ายหลงไปทำซีกวารู้สึกตัวอยู่ความเป็นกลางๆเด่นอยู่ตัวรู้เด่นสูงมากตัวหลงเนี่ยหลงแล้วไปไหนก็ไม่รู้พบชาติที่ยิบเลยเป็นลนักษณะของสัมภเวสีไปเก่งจริตนิสัยอุปนิสัยสันดานเป็นลนักษณะการผุดเกิดขึ้นมาในจิตของเราเกิดดับเกิดดับโอภัตติกะ เป็นอาการผุดเกิดตายก็ไม่มีสร้างก็คือความคิดของเราการปรุงแต่งเราก็เลยรู้เท่ารู้ทันเห็นแล้วเห็นอีกเห็นซ้ำซ้ำซ้ำ ซ, ำซำรอยเดิมนี่แหละดูกายเห็นจิตดูจิตเห็นคิดนี่แหละดูคิดเห็นธรรมชาตินี่แหละที่หลวงพุท e x ู e r n a l l y สภาวะของการดูกายเห็นจิตดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจเคลื่อนไหวก็ต้องรูปแบบสิบสี่จังหวะชัดเจนเหลือเกิน นั่งยกมือเมื่อยเราก็เดินไปเดินกลับชัดเจนเหลือเกินการเดินจงกลมกันนั่งสงร้างกันว่เป็นการจำลองเป็นการสร้างเหตุขึ้นมาให้เราได้ฝึกหัดจิตมาทำเป็นแล้วการเคลื่อนไหวไม่ต้องพูดถึงว่าเคลื่อนไหวของร่างกายเราในทุกๆรูปแบบทุกๆอวัยบะนีนอกรูปแบบในจิตนั่นอันนั้นมันเหนือชั้นจริงๆ มันเป็นอะการเกิดดับเคลื่อนไหวที่ยิบละเอียดนแต่ว่าใหม่ๆยังไ่หาดูอยู่นะแต่เราไปหาดูมันหรือว่าฟังแล้วไปคิดมันก็จะไม่ได้เห็นความคิดเลยความคิดจะครอบงำกายเป็นคิดรู้นั่นแหละตัวนี้นแต่เราเคลื่อนมือสัมผัสรู้สัมผัสรู้เราเห็นตัวคิดตรงนี้แหละมันจะกลัวความคิดไปเลยคิดแล้วพูดก็จะกลัวไปเลยเท่ก็ไม่อยากเทล่ลนะข่าวเนี้ย เพราะว่ามันเทพทีมต้องขึ้นความคิดเนี่ยต้องตั้งสมาธิต้องทบทวนระลึกย้อนไปในร่องลอยธรรมของเราแล้วถึงมาพูดแบนปันกันอย่างนี้นะมันจึงเสียพลังงานมากนะเวลาพูดทำมาเราสังเกตหลวงพ่อครูบาอาจารอย่างเช่นหลวงพ่ออมเกียนนะท่านเทพสักพักเดี๋ยวท่านก็บอกให้หมดเสียงหมดเสียงเลนะมันจึงต้องตั้งใจฟังกันทำมาเนี่ยมัมีของเล่นเล่นนะ เป็นแค่พิธีกรรมเฉยๆเป็นแค่ว่าทำประเพณีจารีต mm. กฎระเบียบของคนจ น, จนไม่ใช่แต่เป็นลรื่องของการมารับธรทำเราจะได้เอาไปทำเดินทางมันตันตรงไหนมันเนินช้าตรงไหนจะได้คลิกผ่านๆๆไปนะเป็นลองรอยที่เหมือนกันทุกคนตั้งแต่สมยัยพระเจ้าก่อนพระเจ้าแล้ว ทรมาถึงพระเจ้าไม่เกิดก็มีอยู่แล้วพระเจ้าคนพบก็หลายพระองค์แต่ว่าสำนักโคโดมนำมาบอกต่อนำมาชี้แจงแบ่งปันกันจนกระทั่งยุคนี้ 2,600 ปีพุทธ ย, ยันตียังมีร่องรอยชัดเจนในว่าการเคลื่อนไหวรู้สึกนี้ฝึกหัดกันจนกระทั่งเจอคำตอบดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิด จนตั้งเหมือนกับว่าออกภาวะผู้ดูเด่นเด่เดเด่ น, ด, น, ด, นดูแล้วเห็ น, เ ห, นเห็นแล้วไม่กล้าไปเป็นอย่างทั้งไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรอย่างที่หลวงพ่อพูดเล่นนั่นเทศอยู่เสมออย่างเงี้ยหรว่าถ้าจะเป็นกะเป็นได้อยู่แต่ว่าเป็นเช่นนั้นเองยืมเอมาใช้ตามหน้าที่ใช้เสร็จระวางดันดีเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติไม่ได้รรเป็นกรรมเป็นความบริสุทธิ์หรือจะจะเป็นกรรมก็ได้ถต่ว่าเป็นกรรมมาฐาน จะทำอะไรก็เป็นกรรมฐานจะคิดจะพูดจะฟังจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะกินจะขับถ่ายจะใส่เสื้อผ้าจะกินจะเคียวจะดืม่มเป็นเรื่องของกรรมฐานไม่ได้เป็นกรรมดีกรรมชัว่วเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผลไม่ใช่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติกรรมฐานทำไม่เกิดธรรมชาติจึงต้องสังเกต กรรมดีกรรมชั่วเนี่ยนโกสวรรค์เกิดจากจิตคิดปรุงเป็นบุญเป็นบาปเรียกว่าปุญญาที่สังขารนะปัญญาที่สังขารอีกอันหนึ่งก็คือลักษณะของการเกิดขึ้นมาแต่ว่ามันไม่เป็นกรรมดีกรรมชั่วแต่มันเป็นกรรมฐานกรรมฐานก็คือมันเป็นความบริสุทธิ์นะมันเป็นงานทําที่บริสุทธิ์จริงๆเห็นละละจุดเนี้ย มันเป็นเรื่องที่เนื้อเหตุเนื้อผลเหนื้อบุญเนื้อบาปนะอย่างเช่นว่ายกมาเลยทําไมคนที่เราเห็นว่าเป็นภรรยาศีลข้อหนึ่งก็ไม่รักษาอย่า น, นีนะทำไมถึงไม่รักษาอย่างเช่นว่ า, มาแมลงวันมาตอมาอาหารถ้าเป็นเราเราจะทำไงศินข้อที่หนึ่ง เกงคัดตีบางวันไม่กล้าตีเดี๋ยวมันตายแต่เมื่ก็เห็นครูบาอาจารย์กับสัดโครมโครมเหล่าแรงวันบางทีมันก็สลบชักเงกๆบๆๆต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยถ้ามาก็มองวิเคราะห์ดูนะความรู้สึกของตัวเองทําจิตทําใจดูแล้วก็เอาจิตเป็นแบบนั้นมันเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์นี่น า, นามันมีอยู่แมงวันมาต่อมาหาน ร่างกายของเรารับเชื้อไปเรารู้ว่ามันมีอาหารแน่นอนเราสังเกตพฤติกรรมของบางวันโดยนะเวลาเขาเกมาะมะม่วงเนี้ยนางมะม่วงเน่ยเกาะแป๊บมันไม่เกาะธรรมดานะีมันพ่นลูกใสเข้าไปเลยไข่ลงไปเลยบางวันเวลาต่อมาหารเนี่ยมันไข่ทันดีไข่ทันดีเวลามันเกาะแป๊บทันดีเลยมันเอาตูนไข่ออกมาเลยเป็นจุดเป็นน้ำขาวๆเล็กๆโอ้ถ้ากินเข้าไปไหว่าตักระโล่เนี่ย เพรานั้นก็จึงมีการไล่เ้าด้วยความบริสุทธิ์อาหารนั่งอยู่มนมาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างซาลานี้ก็เหมือนกันเราจะไว้ใช้เพื่อไว้ทําวัดสวดมนต์ต่อไปไหมปวกขึ้นเนี่ยปวกขึ้นมีใครกล้าทําไงก็ไปขี้เคลียช่วยเคลียหน่อยถ้าเห็นนะแต่ถ้ายังไม่มั่นใจก็ยังไม่ต้องทํากันนะแต่ถ้าวางใจจะทำเป็นปกติเราก็ช่วยกันรักษาซาลา พวกคนที่มาในส่วนใหญ่ก็ศาสดาจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาตีเยอะแยะไปหมดแต่ละคนก็มีคุณค่ามากกับสังคมเกิดวันใดวันนึงเนี่ยไปรวมเฮโลนถ่ายโลกประมาณแปดสิบคนร้อยคนเนี่ยจะลาหักโครงลงไปพระกรรมฐานก็ตายนักปฏิบัติก็ตายกองรวมกันตรงนั้นหัวแตกหัวแตนเงนี้ยมันคุ้มค่าไหมเนี่ย เพราะนั้นแล้วน้าที่การดูแลด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันมีอยู่เช่นทําตามหน้าที่อย่างนี้ทำตามหน้าที่เพราะฉะนั้นขอทานขอทานนี่ก็เป็นธรรมะนะนักโทษทหารถูกประชาค้าทหารประชาค้าที่ทําตามหน้าที่นี่ก็ธรรมะนะตํารวจยิงโจนเนี่ยทหารยิงศัตรูเนี่ยไม่ได้บอกว่าบาไม่บานะถ้าคนนั้นมีกรรมฐานนะเป็นความบริสุทธิ์นะ เพราะการดูด่าว่ากล่าวกันเนี่ยถ้าเป็นลักะของคนที่มีธรรมกะก็ด่านะสาบแช่งอ่ะสวยเลยอย่างเช่นพ่อแม่ดา่าพ่อแม่บอกอ้ชี้ถูกชี้ผิดสาบแช่งกันมาด่าทารละคำในศักดิ์สิทธิ์นะนะเพราะนั้นเราก็จึงนี่แหละเรียนรู้รับรู้รับฟังแล้วก็ท้ายสุดก็คือลองไปทำจนั้งบุญบาปมันมีอยู่แต่ว่า เราเลือกได้ที่จะทําเพื่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต่อส่วนรวมต่อโลกแต่ว่าทําบางคนสนะังเกต ด, ดูทําดีแล้วก็ทุกทําดีแล้วก็ร้องไห้ก็เพราะว่าขาดกรรมฐานนี่เองทำช่วก็สดใสล่าเริงเบิกบานแต่ท้ายสุดพอจับได้ไล่ทันจํานวนการหนังกาขาวก็กลายเป็นวางทุกข์ขึ้นมาก็เนื่องจากขาดกรรมฐานนั่นเอง มันจึงไม่ใช่บุญหรือบาปดีหรือชั่วเป็นเรื่องของหน้าที่ที่จะต้องทํากันต่อไปได้เพราะหน้าที่ที่ฝึกตนฝึกตนสอนตนนะฝึกกรรมฐานนั่งเดินยืนนอนจะตั่งรู้เท่ารู้ทันจิตจริงๆจิตคิดเก่งเห็นจิตเห็นใจมันปกติไม่ปกติมันสุขมันทุกข์มันรู้สซื่อหรือมันรู้เซอร์เซอมันรู้แบบเป็นปัญญาหรือว่ามันรู้แล้วเป็นปัญหาทะเลาะบ่อแว่งกันเี่ เราก็รู้ชัดทันทีเอาละ ว, วันนี้เห็นบ้าสมควรเกิดแล้รก็ขอให้การเวทธรรมของทั้งหลายก็จงแบนไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกกันทุกรูปทุกนามตือน